ดูดูร้อนนะก็เพิ่งสิ้นสุดลงเนะชื่อว่านะเนนทุกรูปก็มาได้นะจะได้เรียนระู้หลายสิกหลายอย่างจากใครนี้ไม่ใช่แค่จากคำสอนคำบรรยายของพระพี่เลี้ยงแต่ที่สำคัญคือจากประสบการณ์นะประสบการณ์ที่ได้เจเจอ ด้วยตัวเองแม้ว่าจะเป็นประสบการณ์ที่ไม่ถูกใจทอในค่ายนี้มันก็ไม่ได้มีแต่ความสนุกอย่างเดียวความสนุกมันก็เป็นแค่น้ำจิ้มที่ทำให้เนรเขามีความเพลิดเพลินมีกาลังใจในการเรียนรู้ แต่ว่าน้ำจิ้มนี่มันก็มีเปีอือกเท่านั้นแหละนะสิ่งที่สำคัญก็คือบทเรียนบทเรียนชีวิตนะซึ่งได้มาจากประสบการณ์โดยเฉพาะความยากลำบากความไม่สมหวังความผิดหวังอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นก็เป็นบทเรียนเช่นความอยากความกลัวพวกนี้เนี่ยใหม่ๆนะ เด็กๆอาจจะไม่ค่อยได้เห็นคุณค่าเท่าไร่หรือมองไม่เห็นว่ามันเป็นบทเรียนยังไงแต่ต่อไปเขาก็จะได้เรียนรู้หลายอย่างนะเป็นประสบการณ์ชีวิตที่ทํทำให้เขาเติบโตขึ้นและไม่ใช่แค่สามนเณรเท่านั้นนะ ที่ได้เรียนรู้จากข่ายนีย้พระพี่เลี้ยงก็เหมือนกันนะมันก็มีประสบการณ์หลายอย่างในข่ายที่อาจจะไม่ถูกใจอาจจะมีความผิดพลาดอาจจะมีอุปรสรรคความยากลำบากหรือมีเรื่องกระทบกระทั่งระหว่างกันเพราะความเข้าใจผิดหรือความไม่ตรงกันไอ้พวกนี้ก็มีประโยชน์นะ เป็นประสบการณ์ที่สอนทาได้อาจจะไม่น้อยไปกว่าการเจริญสติหรือว่าการปฏิบัติในรูปแบบนันในขณะที่พระพ่เรียงนะก็นำพาบทเรียนให้กับสา ม, มัญเนรให้เขาได้เรียนรู้ในะชีวิตจากข่ายพระพ่เรียงก็ได้เรียนรู้เหมือนกันนะจากประสบการณ์ที่เกิดขึ้น เรียกว่าเป็นการเรียนรู้ไปด้วยกันยกอย่างที่บอกนะการเรียนรู้เนี่ยบวอยครั้งเราก็เรียนรู้จากสิ่งที่ไม่สมหวังสิ่งที่ไม่ถูกใจความผิดพลาดความล้มเหลวความยากลำบากความกล้ามกลืนฝืนทนพวกนี้ส่วนเนี่ยมันก็หล่อล้อมให้เรามีจิตใจที่เข้มแข็ง หรือว่าช่วยลดความเห็งแก่ตัวอีกส่วนหนึ่งมันก็ให้บทเรียนชีวิตกับเราซึ่งมีคุณค่าในทางธรรมนะะไม่น้อยไปกว่าธรรมะที่เราได้ยินได้ฟังจากครูบาอาจารย์หรือว่าจากการอ่านหนังสื อ, อสำหรับผู้ใฝ่รู้เนี่ย ทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นของดีทั้งนั้นเหมือนกับนักสำรวจเส้นทางเนี่ยนักสำรวจเส้นทางบนเขาในป่าหรือว่าเกอกแก่งทั้งหลายทั้งปวงก็ตามเนี่ยวิสัยของนักสำรวจนี่ไม่ว่าเจออะไร ก็เป็นความรู้เป็นของดีทั้งนั้นเส้นทางบางช่วงก็วิบากลำบากบางทีก็แห้งแล้งบางช่วงก็จะมีสัตว์ร้ายงูพิษชุกชุมบางช่วงก็น้ำเชี่ยวกราบบางช่วงก็เหมือนกับทะเลทราย แต่ผู้ที่เป็นนักสำรวจเส้นทางเนี่ยทุกอย่างที่เจอบนเส้นทางเขาพร้อมน้อมรักและเขาเอามาเป็นความรู้นะไม่มีนักสำรวจเส้นทางคนไหนนะที่พอเจอเส้นทางวิบาวแล้วเาก็จะโวยวายตีโวตีพาย เพราะหน้าที่ของเขาคือสำรวจหรือว่าค้นพบความจริงตลอดเส้นทางไม่ว่ามันจะเป็นความสะดวกสบายหรือความยากลำบากซึ่งต่างจากนักท่องเที่ยวนะนักท่องเที่ยวเนี่ยเวลาไปไหนก็ต้องการปรารถนาเส้นทางที่มันสบายร่มรื่นนะ เจอเส้นทางวิบากก็บนโวยวายตีโพยตีพายนะหรือว่านะเจอทางชันนะก็ไม่ชอบบางทีอาจจะคิดว่าอันนี้เราโชคร้ายในวิสัยของนักท่องเที่ยวยก็ปรารถนาแต่ความสะดกสบายนะไม่ปรารถนาความลำบากนะ ต่างจากนักสำรวจนี่เขาพร้อมยอมรับทุกอย่างที่เกิดขึ้นถือว่าเป็นความรู้ที่จะต้องจดบันทึกเอาไว้แ้วผู้ที่ดำเนินชีวิตเนี่ยเพื่อศึกษาเรียนรู้ชีวิตเนี่ยซึ่งที่จิมก็คือวิสัยของนักปฏิบัติธรรมเนี่ย ก็เช่นเดียวกันนะกับผู้ที่สำรวจเส้นทางธรรมชาติเนี่ยก็จะไม่มีการเลือกที่รักบางที่ช่างว่าอย่างนี้ดีเอาอย่างนั้นไม่เอาเพราะไม่ชอบเพราะลำบากไวถือว่าประสบการณ์ชีวิตเนี่ยมันให้ความรู้มันให้บทเรียนโดยเพราะมาเรียนรู้เรื่องจิตเรื่องใจของตัวเองหรือได้เห็นปฏิกิริยา ของใจ เ, เวลาเจอที่ที่มันสบายใจเป็นยังไงเวลาเจอที่ที่ลำบากเป็นอย่างไรคนที่นักปฏิบัติธรรมก็ไปก็มีมีนิสัยของผู้ที่ต้องการเรียนรู้เรื่องชีวิตจิตใจเพราะนั้นเนี่ยมันมีประสบการณ์อะไรในทางจิตที่ไม่ว่าดีหรือแย่ก็พร้อมน้อมรับและถือเอามาเป็นบทเรียน แต่ถ้าใครที่ใช้ชีวิตหรือปรารถนาความสะดวกสบายจากชีวิตเนี่ยอันนี้ก็จะมีการเลือกที่รักมากที่ชังจอแสวงหาแต่ความถูกใจหาแต่ความสะดวกเจออะไรที่ไม่ถูกใจเจอผู้คนที่ไม่น่ารักก็เอาแต่โวยวาย หรือว่าเกิดความโกรธความเกลียดมีอาการผักใสไม่ได้เลยรู้นะเรื่องจิตเรื่องใจเลยว่ามัไมไม่มีอะไรที่เราจะควบคุมบังคับบัญชาได้นะถ้าเป็นนักปฏิบัติธรรมเนี่ยก็ย่อมเป็นผู้ที่ใฝ่รู้เรื่องชีวิตโดยเฉพาะเรื่องของจิตใจแล้วก็พร้อมน้อมรับที่จะเรียนรู้จากสิ่งต่าง ไม่ใช่แค่สิ่งที่เกิดขึ้นกับกายและใจแต่รวมถึงเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านเข้ามารวมแต่เป็นของดีเป็นบทเรียนทั้งนั้นนะความสำเร็จก็ดีความล้มเหลวก็ดีคำสรรเสริญก็ดีคำนินทาก็ดนะีหรือว่าการได้ทรัพย์หรือการเสื่อมลาบเสื่อมทรัพย์นะก็รู้แล้วแต่เป็นของที่มาสอนให้เราได้เรียนรู้ถึงความจริงของชีวิต ว่ามันไม่เที่ยงมันมีขึ้นมีลงจริงๆถ้าเรามันศึกษานะเรียนรู้จากทุกประสบการณ์ที่ผ่านเข้ามาในชีวิตทุกอารมณ์ที่เกิดขึ้นกับจิตกับใจเนี่ยสุดท้ายเราก็จะรู้ว่ามันไม่มีอะไรที่เที่ยงแท้แน่นอนนะทุกอย่างก็ผันผวนแปรปวนถ้าเราเระลึกระตอบย้าอยู่เสมอว่ามันไม่มีอะไรที่แน่นอน ไม่มีอะไรที่จีรังมันจะช่วยทำให้เราเเข้าใจชีวิตมากขึ้นเข้าใจโลกมากขึ้นบางทีเราไม่ต้องเรียนรู้อะไรมากก็ได้เพียงแค่ตระหนักถึงความไม่เที่ยงตรเหนถึงความไม่จีรังยั่งยืนของทุกสิ่งทุกอย่างถึงเวลาที่เจออะไรเพลิดเพลินก็ไม่ลหลงไหลยินดีมันมากเพราะรู้ว่ามันเป็นของประเดียวประดาวชั่วคราว ถึงเวลาทุกข์ก็ไม่ได้จมอยู่ในความทุกข์เพราะก็รู้ว่ามันเป็นของชั่วคราวเหมือนกันในเดียวกันก็เห็นสัมผัสได้ถึงความสุขจากการที่ได้ทำความดีโดยเพราะเมื่อช่วยเหลือให้คนมีความสุขก็จะพบว่าเออเราก็พอยมีความสุขไปด้วยให้จริงเรื่งนี้เนี่ยมันเป็น สิ่งที่สามารถสอนใจผู้คนสอนใจเราได้และช่วยน้อมกล่อมกายให้เราเนี่ยนะมีมีธรรมะทั้งในเรื่องการรู้จักทำใจไม่ยึดติดถือมั่นแล้วก็รู้จักทำกิจช่วยเหลือเอื้อเฟื้อผู้อื่นไม่คิดเอาไม่คิดเอารัดเอาเปรียบเพ่งับตัวอันนี้ก็เรว่า มีธรรมะและบางคนเนี่ยมีธรรมะโดยไม่รู้ตัวทั้งๆ ท, ที่ไม่ได้ไม่ได้ฟังพระเทศไม่ได้เข้าวัดแต่เขาเป็นคนที่มีจิตใจงดงามและขณะเดียกันก็รู้จักนะรักษาใจไม่ให้ทูกเพราะว่ารู้ว่าไม่มีอะไรที่ยึดมั่นถือมั่นได้อาจจะเผลอยึดบางสิง่งแต่ว่าหลายสิ่งหลายอย่างก็รู้ว่ามันไม่เที่ยงล้วคนจนวนมากเนี่ยเขา แม้เขาไม่ได้ฟังธรรมก็ไม่ได้บวชเข้าไกลวัดเนี่ยแต่ว่าเขามีธรรมะโดยไม่รู้ตัวจากการที่ได้สังเกตนะสังเกตจากประสบการณ์ชีวิตสังเกตจากพฤติกรรมของผู้คนแล้วก็สังเกตจากความเป็นไปในจิตใจของตัวนะเช่นพอถ้าเอาเปรียบคนอื่นแล้วแม้จะสำเร็จแต่ว่าจิตใจมันทุกข์ ในทางตรงข้ามถ้ารู้จักแบ่งปันเอื้อเฟื้อมันมีความสุขเวลาทำอะไรที่ยากที่ลำบากได้สำเร็จมีความสุขมีความภาคภูมิใจแร้วคนที่มันสังเกตในจิตใจของตัวเองหรือมันสังเกตประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านเข้ามาเนี่ยสุดท้ายก็จะลงเอยด้วยการเป็นคนมีธรรมะโดยอาจจะไม่รู้เนื้อรู้ตัวได้ซ้ำ เพราะที่จริงแล้วเนี่ยเส้นทางสู่ธรรมะนี่มันมีความหลากหลายมากหรือผู้ใหญ่ก็คือว่าเส้นทางที่ธรรมะจะเข้าสู่จิตใจของผู้คนเนี่ยมันมีความหลากหลายมากไม่ใช่ว่าจะต้องฟังธรรมะเท่านั้นถึงจะมีธรรมะไม่ใช่ว่าจะต้องปฏิบัติธรรมในรูปแบบเท่านั้นจึงจะมีธรรมะไม่ใช่ว่าต้องนับถือาศาสนาใดาศาสนาหนึ่งเท่านั้นจึงจะมีธรรมะ แม้ว่าจะไม่ได้ฟังธรรมเท่าไรแม้ว่าจะไม่ได้ใกล้วัดน่าจะไม่รับถือศาสนาแต่เ้าก็อาจจะมีธรรมะโดยไม่รู้ตัวเพราะอาศัยการเรียนรู้นีจากประสบการณ์ชีวิตอาศัยเรียนรู้ดูจิตดูใจของตัวเองซึ่งเรื่องนี้มันก็ไม่ได้ผูกขาดอยู่ที่ศาสนาใดศาสนาหนึ่งหรือวิธีการใดวิธีการหนึ่งอันนี้เป็นสิ่งสําคัญมากนะ เพราะว่าเดี๋ยวนี้มีคนมักจะมีคําถามว่าทํำยังไงเนี่ยจะให้คนรักของตัวมีธรรมะแล้วก็มักจะนึกคิดถึงในเรื่องว่าการให้ฟังทำการให้มาบวชนีแต่ที่จริงมันมีหลายวิธีมากแล้วที่เป็นปัญหาใหญ่ปัญหาหนึ่งนะก็คือเวลาคนรักของตัวเนี่ยเกิดความเจ็บป่วยและมีความทุกข์โดยเฉพาะเมื่อใกล้ตาย ไม่มีคำถามนะว่าเนี่ยพ่อป่วยหนักแม่ป่วยหนักเนเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายทําไงจะเขามีธรรมะหลายคนมีความทุกข์พ่อพยายามที่จะพูดธรรมะให้กับพ่อแม่ที่ป่วยพยายามให้พยายามเปิดเทปธรรมะให้เขาฟังเขาไม่สนใจอยากให้เขาหายทุกอยากให้เขาคลายทุกเพราะบางคนก็กลัวตาย แต่แล้วเวลาเห็นไขรกลัวตายก็คิดว่าเจ้าก็ได้ฟังธรรมะเขาจะหายกลัวตายก็เลยพยายามที่จะพูดธรรมะให้เขาเปิดธรรมะให้เขาแต่เขาพอเขาไม่ฟังก็ยิ่งพยายามยัดเยียดก็เลยเกิดการปฏิเสธผลก็คือเกิดความทุกข์นะทังผู้ปรารถนาดีคือลูกแล้วก็ ผู้ที่ป่วยจริงๆเนี่ ย, ยการที่จะทำให้คนใกล้าตายเนี่ยเขาไม่ทุกข์ทรมานเวลาจะตายเนี่ยหรือว่ากลัวตายน้อยลงเนี่ยมันไม่จำเป็นว่าจะต้องอใส่ธรรมะหรือยัตยธรรมะให้เขาอย่างเดียวและที่จริงแล้วส่วนใหญ่เขไม่สาเร็จนะเพราะว่าคนที่พอใกล้าตายาป่วยหนักเนี่ยปกติก็ ส่วนใหญ่หรือแท้ทั้งหมดก็จิตใจก็ห่อเหี่ยวนะจิตใจเศร้าหมองมีความกัดกลุ่มมีความวิตกสภาวะราสภาวะอารมณ์แบบนี้นี่มันมันมันยากนะที่จะทำให้คนเนี่ยเปิดใจรับธรรมะเวลาเราป่วยหนักเนี่ยหรือแทงแม่ไปป่วยหนักเนี่ยทั้งที่ป่วยด้วยโรคที่รักษาหายได้เนี่บางทีใจมันไม่คยอยากจะ รับรับฟังธรรมะเลยเพราะมันห่อเหี่ยวและสาวหลายคนเนี่ยไอ้ธรรมะนี่มันกลายเป็นเรื่องที่เหมือนกับลึกลับหรือว่าเข้าใจยากพอจิตใจห่อเหี่ยวเสื่แล้วนี่นะมันก็ไม่อยากจะเปิดรับธรรมะยิ่งเป็นธรรมะที่เกี่ยวกับสัจธรรมความจริงเช่นความตายเป็นธรรมดาของทุกชีวิต ยิ่งปฏิเสธเข้าไปยิง่งแต่สิ่งที่น่าคิดก็คือว่าจะช่วยทําให้เขาเนี่ยหายหดหายห่อเหี่ยวหายหมดหมองได้อย่างไรตรงนี้สําคัญกว่าบางทีไม่ได้ถามนะว่าที่เขาห่อเหี่ยวที่เขามีความทุกข์เนี่ยเพราะอะไรว่าจะยังห่วงลูกห่วงคนรักห่วงงานการเมื่อถ้าว่ารู้ว่าเขาห่วงนะ ถ้าช่วยเขาหายห่วงเขาจะรู้สึกโปร่งเบามากขึ้นแล้วคนเราเนี่ยพอจิตใจสบายจิตใจผ่อนคลายเนี่ยในการที่จะเปิดรับธรรมะนี่มันก็เป็นเรื่องง่ายขึ้นแต่ถ้าจิตใจเครียดจิตใจหม่นหมองนี่มันก็ยากอย่าว่าแต่คนที่ห่างไกลธรรมะมาก่อนเลยนะเมื่อถึงคนที่สนใจธรรมะอ่านมาเยอะฟังมาเยอะ เป็นลูกศิษย์ครูบาอาจารย์ที่มีชื่อเสียงไอ้คิดว่าตัวเองมีธรรมะพอตัวแต่พอป่วยด้วยโรคร้ายนี่ปรากฏว่าไอ้ธรรมะที่ได้ยินได้ฟังได้เรียนรู้มามันช่วยอะไรแทบไม่ได้เลยเรียกว่าเอาไม่อยู่นี่ขณะคนที่คุ้นเคยกับธรรมะนะแต่พอเวลาป่วยหนักๆ น, กนี่ไอ้ธรรมะที่มีนี่เอามาใช้ไม่ได้เลย เพราะว่ามันเป็นแค่สิ่งที่จำเอานะเป็นสิ่งที่แค่จำอยู่ในหัวแต่ว่าใจเนี่ยมันไม่ได้คล้อยตามด้วยนะหัวสมองกับหัวใจเนี่ยมันไปคนละทางนะคนที่อ่านเยอะฟังเยอะมันก็แค่รู้จำนะแต่ว่าถ้าไม่ได้ฝึกใจมันก็ไม่เกิดความรู้จักหรือ เข้าใจอย่างจำแจ้งถึงเวลาก็เอาธรรมะมาใช้ไม่ได้เอาธรรมะในหัวมาใช้ในการน้อมจิตให้หายกลัวให้รู้จักปล่อยวางมันทำไม่ได้นักปราชญ์ละไคนที่ไม่เคยสนใจธรรมะมาก่อนเลยนะพอจะตายจะมาเปิดเทปธรรมะให้เขฟังนี่เขายิ่งยากที่จะ รับหรือเข้าใจได้เพราะว่ามันสวนทางกับความเข้าใจสวนทางกิกเลสในตอนปกติธรรมดาสุขภาพดีใจยังไม่น้อมฟังธรรมะเลยและยิ่งตอนจะตายตอนที่มีทุกขเวทนาบีบคั้นมีความเครียดเนี่ยกิเลสมันก็แรงกล้าแล้วจะเปิดใจรับธรรมะได้อย่างไรหรือเอาธรรมะมาใช้ ในการเตือน้อมใจให้หายกลัวได้อย่างไรแต่ถ้าเกิดว่าเราพยายามช่วยเขาทางอื่นช่วยทำให้เขาคลายกังวลคลายความห่วงพอคลายความห่วงในลูกคลายความอะไรหรือห่วงในทรัพย์ในงานการจิตใจเริ่มโปร่งโล่ง ในการที่จะน้อมฟังธรรมะก็ง่ายขึ้นยันฐานจะให้เขาเข้าใจธรรมะเราเอาตัวช่วยอย่างอื่นมาช่วยเขาจะดีกว่าเริ่มจากการช่วยทําให้เขาคลายความห่วงคลายความอะไรในสิ่งต่างๆก่อนพราะคนเราเวลายาตายเนี่ยมันจะมีอุปรสรรค2ออย่างคือมันยังมีความยึด ในของรักของห่วงไม่อยากสูญไม่อยากจากพราดจากของรักของห่วงนี่เรียกว่าทุกข์เพราะพราดจากสิ่งรักที่พอใจและถ้ายมันเจอสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจอีกนะก็คืออะไรนะคือความเจ็บปวดและความตายแล้วคนเราถ้าหากว่าในของรักก็ยังห่วงการโดยกันทุกขเวทนาบีบคั้น มันก็ทำให้เกิดความทุกข์เกิดความห่อเหี่ยวแต่ช่วยถ้าช่วยทำให้เขาคลายความยึดบ้นถือมั่นคลายความห่วงจิตใจก็เริ่มสบายและช่วยทำให้เขามีจิตใจเป็นกุศลมากขึ้นนั่นทำยังไงนะอ้าวก็พูดถึงสิ่งที่เขาภาคภูมิใจในชีวิตพูดถึงความประทับใจในความดี ที่เขาได้มีต่อเรามีต่อลูกต่อหลานทำให้เขารู้สึกว่าช่วยเขาเนี่ยได้ทำคุณงามความดีมามากเกิดความภาคภูมิใจในชีวิตที่ผ่านมาเกิดความภาคภูมิใจในความดีที่ได้ทำก็ทำให้เกิดความมั่นใจในปัลโลกพราเกิดความมั่นใจในปัโลกก็ความกลัวตายก็น้อยลงอีกอย่างหนึ่งพอได้พูดถึงสิ่งดีๆท่านทให้เา้าภาคภูมิใจ จิตใจมันก็ชื่นบานมากขึ้นมีปิติมีปราโมทพอมีปิติมีปราโมทไอการที่จะน้อมรับฟังธรรมะยอมรับความจริงของชีวิตคือความตายมันก็ง่ายขึ้นบางคนเนี่ยเขามีความมั่นใจนะว่าคนรักเนี่ยจะอยู่กับเขาจนนาทีสุดท้ายความกลัวตายก็จะน้อยลง พอมั่นใจว่าทุกคนเนี่ยนะที่เขารักนี่จะไม่ทิ้งเขาก็าจะไม่ตายคนเดียวแต่จะมีคนเนี่ยมาส่งเขาด้วยก็พร้อมนะที่จะตายมากขึ้นยังมีหมอคนหนึ่งเล่าว่าเนี่ยนะมีคนไข้ระยะท้ายมาอยู่ในการดูแลเขาแกก็หมอนี่ก็พยายามพูดให้คนไข้ ย, ยอมรับความตายแต่คนไข้ก็ปฏิเสธ พูดยังไงไก็ปฏิเสธแต่หลังจากที่เขาได้จัดการนะภารกิจต่างๆหลายอย่างจนกระทั่งแล้วใจแล้วถึงจุดนั้นเนี่ยเขาก็บอกหมอเลยหมอผมพร้อมตายแล้วหมอยั่งงงเลยอ่ะทีแรกมีพูดเรื่องความตายนี่ไม่ยอมรับแต่ตอนนี้ก็บอกแล้วพร้อมตายเพราะอะไรเพราะว่าเขาไม่มีเรื่องที่ต้องห่วงลว ภารกิจต่างๆทำเสร็จสิ้นแล้วจิตใจสบายแล้วใจสบายมันก็ยอมรับความจริงยอมรับสัจธรรมได้หลายคนนี่เขาแม้เราจะไม่ต้องเอาธรรมะใส่ให้เขาหรือเอาธรรมะย่อยให้เขาแต่พอช่วยเขาทางอื่นช่วยเขาปล่อยวางเพราะหมดห่วงและช่วยเขาเกิดจิตใจที่เป็นกุศล มีปิติเพราะเราลึกถึงความดีที่ได้ทำใจมันก็พร้อมที่จะน้อมรับความตายได้นะเพราะอย่างที่บอกนะเส้นทางสู่ธรรมะนี่มันมีหลายเส้นทางหรือว่าเส้นทางที่ธรรมะจะสู่ใจคนมันก็มีหลายเส้นทางไม่ใช่มีแค่เส้นทางเดียวคือการสอนธรรมะการให้ฟังธรรมะ าการช่วยวิธีอื่นที่ทำให้จิตใจเป็นกุศลจิตใจเกิดความโปร่งโลง่งอันนี้มันก็เป็นการช่วยทำให้เขาเนี่ยยอมรับความจริงของชีวิตได้เหมือนกันเรียกว่าเข้าถึงธรรมะได้โดยที่เราไม่ต้องยัดเยียบบางคนเนี่ยถ้าเกิดเขาอา่มีความรู้สึกอบอุ่นใจมีความมั่นใจว่ามีอ่า สิ่งที่จะมาช่วยน้อมนำให้เขาไปกุศลได้เขาก็มีความสุขพร้อมจะไปบางคนมีความเชื่อว่าเออไปแล้วนี่จะได้ไปพบพระพุทธเจ้าไปแล้วจะได้ไปกราบพระเกศาจุรามุนีในสวรรค์ชั้นดาวดึงพอมีความเชื่อเช่นนี้เนี่ยมันก็พร้อมตายนะหรือมีความเชื่อว่าเออไปแล้วเนี่ยฉันจะไปดีเพราะว่าฉันได้ทำความดีมาเยอะบางค น, นนี้เขาก็พร้อมตายนะโดยที่ไม่จาเป็นต้องอ่ ไปยัดเยียดธรรมะให้เขาแล้วเขารู้ว่าชีวิตที่ผ่านมามีคุณค่าและเขามั่นใจว่าข้างหน้าเนี่ยเป็นทางที่ดีหรือว่าใจเนี่ยได้นึกถึงสิ่งที่ทําให้เกิดความอบอุ่นใจอย่างในสายวตกามีพายคนหนึ่งเนี่ยนะฆ่าสัตว์มาเยอะถึงเวลาจะตายเนี่ยโอ้มันมีมันมีนิมิตที่เป็น อ, อกุศลมาหลอกหลอนมีสัตว์ร้ายมาจะตามล่ากลัวมากเลย ประเอินมีลูกชายเป็นพระลูกชายรั่วเนี่ยคติของพ่อนี่จะไปอบายเพราะว่าเห็นแต่ภาพที่เป็นอกุศลก็พาพ่อเนี่ยไปนะไปกราบนะไปกราบพระพุทธเจ้าให้เราลึกถึงพระรัตนตรยัยนะพอใจน้อมนึกถึงพระรัตนตรยัยเกิดความศรัทธาว่าพระพุทธธรรมประสงค์จะคุ้มครองบอกว่าภาพสัตว์ลายก็หายไปเลยแต่ภาพเทพธิดา แปลว่าอะไรแปลว่าเกิดคติในทางบวกคตินี้ไม่ในทางบวกเป็นกุศลแล้วถึงตอนนี้ไม่กลัวตายแล้วพร้อมจะไปแล้วแล้วพอไปก็ได้ไปสุกติจริงๆบางทีไม่ต้องไปสอนธรรมะว่าคนเราเกิดมาแล้วต้องตายนะพ่อความตายเป็นเรื่องธรรมดาไม่ไมต้องสอนนี่แต่น้อมใจให้นึกถึงสิ่งที่เป็นกุศลเช่นพระตนัดไตรถ้าเขาเชื่อพอเขาเชื่อแล้วพอเขานึกองละใจเป็นกุศล พร้อมไปเอง